จิตของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็หายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบไยอยู่ในถํากลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุกทชาญเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จะตุทะฌานทีนี้เมื่อเจ็บของพระองค์ไปถึงขั้นจะตุทะฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอาคินจัญญายตนะเดวสัญญายตนะตามลาดับ ให้ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตาในโลดเรียกว่าเข้าที่โลดสมาบัตินิโลดสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตละ พอเจตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมเจตของพระองค์เป็นเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทยิตาในโลธนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุ ข, ขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้า ก็อาจจะเข้าใจว่าสำเร็จพระนิพพานในขั้นนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดแม้แต่จิตวิญญาณก็ทันท่าจะดับหมดสิ้นไปจะยังเหลือปรากฏอยู่จิตที่ละเอียดที่สุดทีนี้ในเมื่อเข้ามาถึงตอนนี้ ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบรานออกมาอีกครั้งหนึ่งแผ่และรัศสมีครอบคุมจักรบาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกับวิธูผูู้้แจ้งโลกคเพลยมมะโลกได้แค่พบโภมของอผู้ผีปีศาจเปลดอสุรกายทั้งสัตว์นลก พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภ พ, พภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รูกภ พ, พภูมิของเทวดาตั้งแต่เ ท, เทวดาชนจาตุมจนกระทั่งถึงพรห ม, มโลกขัต์ท่านอนิจภะอากานิถากรม พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีตชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่กอบกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วย ว่าสัตว์ในจักรวาลนี้แต่และตนแต่และตัวเกิดมาแล้วกี่พบกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุเพนิบาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของพบภูมิของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งขั้นวันะแบ่งทานนะงความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลาย เือรู้เรื่องการจิตติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจตุปา ป, า, ปาตายานแล้วก็รู้อาสวัคยายานคืออวิชชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริง ย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของการได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะซัดให้ไปเกิดใ น, ในภพใด ภ, ใภใูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในละฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรก า, ายเป็นเทวดาอินทุมเยมยับ เพ่มอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุเพนิวาสานุสจิยานก็ดีจตูปาปาปัจยานก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสะโลในขณนะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมายา การตรัสรูอยู่ในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสมถะกรรมฐานแต่เป็นสมถะกรรมฐานขั้นโลกุตละภูมิเจตไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนิ่งไม่มีภาษาสมมติบัญญัติจะเรียกอะไรว่าเป็นอะไร แต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทางปุเพนิวาสารุสติยานจุตูปปาสยานอาสวัคข ย, ยานทําไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เต็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตน เจตของคนเราจะแสดงอาการคิดนึกขึ้นมาได้ต้องอาศัยประสาททางสมองคืออาศัยกายนี่เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าเจตตัวงนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็น นี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้เทเน่้ยในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกพิทูแล้วเมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตัวนี้จึงมาพิจารณาทบทวน เทนวาสานุตปฏิยานคือการละลึกาตาศนหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างสัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม ในเมื่อพิจารณาเรื่องปุเพในวาสานุสติญาณจบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาต่อไปซึ่งในช่วงนี้จิตของพระองค์ปฏิวัติโไปเองโดยอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องกฎของกรรมว่าทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันที่เป็นเช่นนั้นก็เรกฎของกรรม พาสิทธิว่ากัมมังสเตปิพัฒติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฎของกรรมเคยจดูปาปาปาาจารจบลงในมัททิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาศวะคืออวิชาความรู้ไม่จริง ว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงต้องทำกรรมทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามตนที่ตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่ว เมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิปากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกดของกรรมก็ส่งหนุนให้เบียนว่ว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือโจใรใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลำดับยามทั้งสามคือปัมยาม พิจารณาเรื่องปุกเพในวาสานุสติญาณมัชฉิมยามพิจารณาเรื่องจุููปปาปาตยานปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคายายอาอาสวกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรพัน อรหัตสมัคยานจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสะวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์เส้นพบเส้นชาติเส้นอาสะวะกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง แม่กิเรสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเรสทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นัานว่าบรรลุ ถ, ถึงแดนอมะตะจึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเถิงตรัสรโ้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการศนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ ม, มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปข้องใจสงสัยในหลักและวิธีการ เราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาพิธให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอลลัลคาลลาฮถ้าใครศาสนาพุทธให้ภาวนาพุโทโธเมื่อท่านตั้งใจภาวนาจริงๆ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวจ ะ, ะแทกต่างกันไม่ได้แต่วิธีกรรมนั้นเราอาจจะใช้อุบายวิธีต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเอง บรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามาตำรับตำหลาแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดี ความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวจานิจํำนานเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่ อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิจิตแท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานหรือ ร, รู้สึกแจ่มแจ่มภายในส่วนลึกของจิตมีความรู้พร้อมในขณะนจิตนั้น เสนสมาธิปัญญาก็รวมลงสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมื่อจิตโวภวภวโ ว, โ ว, โ ว, โวลงไปสัญญาเจตนาที่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้จิตรู้เห็นอะไรก็ไม่มีจิตจะไปสู่สมาธิขั้นใดยานขั้นใด หรือจะเกิดความโรู้ใดๆขึ้นมาจิตกับปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปควบคุมจิตหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะน้อมจิตไปรู้ไปเห็นอะไรแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปรู้ไปเห็นเองซึ่งเรียกว่าเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ อันนี้จึงจะได้ชู่ว่าเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วทางไปของจิตมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สงบละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไป อันนี้จิตสงบเป็นสมาธิในสายฌานสมาบัติแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งจิตจะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไรก็าตามทีนี้อีกสมาธิอีกแบบหนึง่งบางทีเราอาจจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสองสามคำจิตมันเว้ลงไปนิดหนึ่ง ความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่างกระ น, น้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลัคนูปนิชฐานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติโลภ้อมอยู่ที่จิตทีนี้ถ้าว่าจิตเกิดมีปีติมีความสุข แล้วก็มีความเป็นหนึ่งรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามความคิดไปเพียงแต่กำหนดรู้จุดเกิดของความคิดความคิดนั่นคืออะไรจิตไม่สนใจได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิปิปัสนา เป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผล <c oughs> ทีนี้เลเมื่อท่านทั้งหลายทาจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏจิตยังสัมพันธ์กับกายยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ ในช่วงนี้ปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเราส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดมโนพาพคือนิมิตในเมื่อจิตของท่านผู้ใดไปรู้เห็นนิมิตให้กำหนดู้จิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดความเอใจหรือไม่ต้องไปยึดมั่นในในนิมิตนั้นนั้น เพียงแต่กําหนดรู้จิตของตนเองหน<ด>ึ่งเคยอยู่เท่านั้นในเมต tn ั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติ่งจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุขาในเมตแต่ถ้าว่าในเมิต tn ั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงย้ายมีอาการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะ เนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกสุดหัวลงไปแหละะเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคณิมิตปฏิภาคณิมิตนี้เป็นจิตเข้าขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานถ้าหาว่าจิตไปสํสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็ ก็รู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้นในเมื่อรู้อนิจจังทุกขงังเราก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้น พะสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ากลางของร่างกายก็จะมองเห็นไวยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการสามสิบองแล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เราว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียว ทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการสามสิบสองเมื่อร่างกายคืออาการสามสิบสองหายไปยังเหลือ จ, จิตตรงเดียวนิ่งสว่างสวัยถ้าจิตมีภูมิพอที่จะพอที่จะรู้ธทรรมเห็นทำจิตจะย้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยปูพังสลายตัวไป จนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอืด น, น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกลน่าเกลียดโศกโยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหน มันมีแต่ธาตุสี่ที่น้ำลมไฟไประชุมกันอยู่เท่านั้นในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้ากายกับจิตแยกออกกระจากกันเป็นคนละส่วนส่วนกายก็เน่าเปื่อยผูพังไปตามธรรมชาติส่วนจิตก็ไปตามกฎของกรรมแล้วจากกรรมจะหนุนส่งให้ไปเกิดที่ไหนอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไป อีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่เป็นไปตามแนวทางทั้งสองทางที่กล่าวมาพอจิตสงบแล้วจิตก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงดางเดียวในไม่จิตรล้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรล้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกำลังพอที่จะเกิดภูมความรู้มันจะมีปรากฏการณ์วักแฝบวักแวบอยู่ในจิต บางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งนิ่งว่างว่างจนแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดจับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกำหนดรู้ความเกิดจับทีนี้ความเกิดจับที่ปรากฏภายในจิตนั่นแหละ เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกำหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดจากว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าได้ความรู้ในทางรรมัธเป็นภาษาขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา อันนี้คือกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองและวันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาของบรรดาท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากกันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ข้าพระท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปเยือนหน้าห้องกําลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาวความรู้ให้พวกเธอทั้งหลายจงน้อมรับ พลังจิตและวิชาวความรู้จากปรูอจากตรงไปตรงมาอย่าีิดเพิ้ยมีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในธรรนองนี้ลูกสิทธิ์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวเอาขอปากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตรงโดนบรดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธรรมระสงฆ์ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีลอาแล้วก็ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปราถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลคอยได้ ขอจงสำเร็จตารปรมปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทิน